สิกขาบทที่ 10. ภิกษุนีใช้หญิงคฤหัสบีบนวดต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังให้บีบนวดต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบีบนวดแล้วต้องอาบัตปาจิตตี